วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตพระธรรมคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนในวันนี้ก็คือเรื่องทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ มีอยู่สองชนิดด้วยกันคือทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกคือทรัพย์ของร่างกายเป็นทรัพย์ที่ไม่จีรังถาวรไม่ยั่งยืนเป็นทรัพย์ชั่วคราวอยู่คู่ไปกับร่างกายพอร่างกายตายไป ทรัพย์สมบัติภายนอกคือทรัพย์สมบัติของกายนี้ก็จะสิ้นสุดลงกายเป็นทรัพย์สมบัติของผู้อื่นไปผู้ที่ตายไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์สมบัติของร่างกายไปได้นี่คือทรัพย์ภายนอกทรัพย์ทางร่างกายได้แก่โลกธรรมทั้งสี่ก็คือลาบยศสรรเสริญ และความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆเป็นทรัพย์สมบัติชั่วข้าวสามารถที่จะให้ความสุขได้ชั่วข้าวพอร่างกายนี้สิ้นสุดลงทรัพสมบัติเหล่านี้ก็จะกลายเป็นทรัพย์สมบัติของผู้อื่นไป ผู้ตายไม่สามารถที่จะทรัพเหล่านี้ไปได้เลยแม้แต่บาทเดียวอันนี้คือทรัพภายนอกส่วนทรัพภายในนี้ก็คือทรัพทางใจหรือทรัพของใจทรัพของใจนี้เป็นทรัพสมบัติที่ยั่งยืนเพราะเป็นทรัพสมบัติที่ใจสามารถเอาติดตัวไปได้ หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วทรัพย์สมบัติภายในนี้แหละจึงถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงเป็นทรัพย์สมบัติที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้อย่าไปหาทรัพย์ภายนอกกันให้เสียเวลาให้เอาเวลาทั้งหมดที่มีอยู่ ให้มหาทรัพย์ภายในกันจะได้ไม่ขาดทุนไม่เสียชาติเกิดตายแล้วมีของดีๆเอาติดตัวไปได้ดีกว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยทรัพย์ภายในนี้ก็มีอยู่หลายระดับด้วยกันนับตั้งแต่ระดับที่หนึ่งคือมนุษย์ยทรัพย์ สูงกว่ามนุษยทรัพย์ก็คือเทวซัพย์สูงกว่าเทวซัพย์ก็คือพรหมซัพย์และสูงกว่าพรหมรัพย์ก็คืออริยทรัพย์นี่คือทรัพย์ในระดับต่างๆที่มนุษย์เราทุกคนนี้สามารถที่จะแสวงหามาให้เป็นสมบัติของตนเองได้ถ้ารู้จักวิธี ที่จะทําให้ทรัพย์เหล่านี้เกิดขึ้นมาทรัพย์สมบัติอันแรกที่เราสามารถมีได้ด้วยกันทุกคนก็คือมนุษย์ศิทรัพย์ตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันเรามีความเป็นมนุษย์เป็นทรัพย์สมบัติของเราการที่เราจะรักษาทรัพย์สมบัติอันนี้ไว้ได้เพื่อที่เวลาที่เราตายไป เราจะได้ไปเป็นมนุษย์ต่อได้ไม่ไปเป็นสิ่งที่ต่ำกว่ามนุษย์สิ่งที่ต่ำกว่ามนุษย์นี้ก็มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือเดเรัจฉานเบรดอสุรกายและนรกนี่คือสถานภาพของใจที่ต่ำกว่ามนุษย์ ที่เป็นสภาพที่ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เราจึงไม่เรียกสถานภาพเหล่านี้ว่าเป็นทรัพย์เราเรียกว่าเป็นหนี้เป็นหนี้ศินที่เราจะต้องไปชดใช้ <S S S เหตุที่พาให้เราสูญเสียมนุษยทรัพย์ไปแล้วกลายเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนศรักายบ้างเป็นนรกบ้างนี้ ก็เกิดจากการกรรมบาปห้าข้อนี้เองอคือศีลห้าการละเมิดศีลห้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้พยายามรักษาศีลห้าให้เป็นนิจจริงให้เป็นนิสยัยให้รักษาตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ป้องกันไ ม, ไม่ให้สูญเสียมนุษยทรัพย์ไป เพราะว่าท้าได้มีการนเมิดศีลได้มีการทำผิดศีลไม่ว่าจะเป็นฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณี <c oughs> การพูดปโ <c oughs> กหกหลอกลวง <c oughs> การกระทำทั้งสีนี้เรียวกว่าเป็นบาป <c oughs> ส่วนข้อที่ห้าที่รวมอยู่ในสินข้านี้คือการดื่มสุรายาเมานี้ ยังไม่ถือว่าเป็นการกระทําบาป mm hmm. เป็นอบายมุข mm hmm. เป็นผู้ที่จะสนับสนุนให้เกิดการกระทําบาปได้ง่าย mm hmm. เพราะเวลาที่ดื่มสรายาเมาเข้าไปแล้ว mm hmm. จะไม่สามารถมีสติรักษา mm hmm. การกระทาทางกายทางวาจาทางใจได้ mm hmm. เวลาใจคิดไม่ดีขึ้นมาคิดจะทำร้ายผู้ mm hmm. คิดจะทำบาปขึ้นมา ก็จะไม่มีสติยับยัง้งไม่ให้ไปพูดหรือไม่ให้ไปกระทาบาปไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ไม่ให้ไปลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดประเพณีไม่ให้พูดปดโกหกหลอกลวงแต่ถ้าไม่ได้ดื่มสุรายามเมาใจก็จะมีสติคอยรักษาคอยคุ้มครองเวลาที่ ใจคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในการกระทำบาป mm hmm. ก็ถ้ามีสติก็จะมีผู้ที่จะมาคอยยับยัง้งมาคอยเตือนใจว่าการคิดแบบนี้ไม่ดี mm hmm. จะนำไปสู่การกระทำที่ไม่ดี mm hmm. จะไปนำไปสู่การพูดที่ไม่ดี mm hmm. พอมีสติก็จะสามารถที่จะยับยั้งการที่จะไปทําบาหรือไปพูดบาปได้ การไม่ดื่มสุราจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะรักษาศีลห้าผู้ที่ไม่ต้องการที่จะทำบาปสี่ข้อด้วยกันจำเป็นที่จะต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ผิดถูกดีชั่วรู้ว่าอะไรเป็นบาปรู้ว่าอะไรว่าไม่เป็นบาปเพื่อที่เวลาที่จะไปทำบาปจะได้ มีการยับยั้งไว้เวลาคนที่ไม่ได้ดื่มสุรากับคนที่ดื่มสุรานี่จะเป็นคนละคนกันเวลาเป็นเวลาไม่ได้ดื่มสุรานี้จะมีกิริยาอาการสุภาพเรียบร้อยทำอะไรก็จะไม่ไปทำให้พูดเขาเสียหายเดือดร้อนแต่เวลาดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วก็จะเกิดอาการ อยากตายกิริยาการจะอยากตายแต่พูดจะจาอะไรก็อยากตายจะทำอะไรก็สร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้การนื่มศลราถึงแม้จะไม่เป็นการกระทำบาปโดยตรงก็อยู่ในข้อห้ามของศีลห้าด้วยอย่าทำบาปถ้าอยากจะรักษามนุษย์สิยา ถ้าตายไปแล้วไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่เกิดเป็นเฟรตไม่ไปเกิดเป็นอ ส, สุลกายไม่ไปเกิดเป็นนรก<ม>ให้รักษาศีลห้าไว้ให้ดีรักษาศีลห้าให้เป็นนิจศีลขึ้นมามอย่าละเมิดเลย<ม>ถึงแม้ว่าการละเมิดเริ่มต้นอาจจะไม่ได้ทำให้ไปเป็นไปอบายโดยทันที แต่เมื่อได้เริ่มทำแล้วมันก็จะเริ่มติดเป็นนิสัยแล้วก็จะทำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วความเป็นมนุษย์ก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปแล้วพอเวลาร่างกายตายไปใจที่ไม่ได้เป็นมนุษย์อยู่แล้วก็จ้เป็นไปก็ต้องไปเกิดตามภูมิที่ตนเองได้สร้างไว้ได้กระทำไว้ถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาป เช่นทำบาเพื่อเลี้ยงชีพทําบาเพื่อป้องกันตนเองอันนี้ถือว่าเป็นการทําบาโดยความด้วยด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงโทษของการทําบาด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงก็จะทําให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่ด้วยความหลงเขาอยู่ด้วยการ ละามิดศีลเขาเขาต้องเลี้ยงชีพของเขาด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต<ม>สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยในการที่จะทำให้เขาอยู่รอดไปในแต่ละวัน<ม>เขาจาเป็นที่จะต้องมีการฆ่าสัตว์กัน<ม>ทำรายชีวิตของผู้อื<ม>่นเพื่อเลี้ยงชีพของตนเอง<ม>เขาก็ไม่คิดว่าเป็นบาปเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบาป เขารู้เพียงแต่ว่าในการที่จะทําให้เขาอยู่รอดนี้เขาต้องทําสิ่งเหล่านี้ฉันใดมนุษย์เราถ้าทําแบบนี้เช่นพวกที่ทํามาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ตามหรือแม้กระทั่งมนุษย์บางคนอาจจะมีอาชีพฆ่ามนุษย์ก็ได้บางคนรับจ้างเป็นมือปืนรับจ้างไปฆ่ามนุษย์เนี่ย เพื่อเลี้ยงชีพตัวเขาเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานใจเป็นเดรัจฉานไปแล้วใจไม่ได้เป็นมนุษย์พอเวลาร่างกายตายไปใจก็จะได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปใช้บาปกรรมที่ตนเองได้ทำไว้จนกว่ามันจะหมดถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าทำบาปด้วยความโลภ อยากได้มากๆ<ม>ชอโกงคอร์รัปชันหลอกลวงหาเงินดวยวิธีง่ายๆ<ม>ด้วยการกรทำบาป<ม>วิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำบาปด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการประพฤติผิดประเพณีด้วยการรักทรัพย์ด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถ้าทำบาปด้วยความโลภนี้ประดาตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยที่เรียกว่าเปรต ด, ดวงวิญญาณที่โ ห, วหวยที่ว่าเปรตที่ต้องมาคอยลาบรอรับส่วนบุญของญาติพี่น้องตรงนี้เขาไม่เคยคิดสะสมบุญในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เพราะความโลภอยากจะได้เงินทองมากมายได้ทรัพย์สมบัติให้เป็นของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จึงมีความเสียดายมีความตนเไม่ชอบทำบุญชอบทำบาปเพื่อให้ได้ทรัพย์มากขึ้นทำบุญทบุญแล้วจะเสียทรัพย์ไปก็เลยไม่มีการสะสมบุญมีแต่การสะสมบาปจากการกระทำบาปด้วยความโลภพอตายไปดวงวิญญาณที่ไม่มีบุญให้ให้เป็นอาหารให้เป็นเครื่องอยู่ก็จะมีแต่ความหิวโหย เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเราเรียกว่าเปรยส่วนพวกที่ทํำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกผู้อื่นเขาทําร้ายก็เลยไปทําร้ายเขาก่อนเช <Yeah. S 1> ่นกลัวสัตว์ชนิดต่างๆพอเจอสัตว์เหล่านั้นก็จะฆ่าเขาทันทีไม่ว่าจะเป็นกลัวมดก็มีกลัวแมลงก็มีกลัวยุงกลัวสัตว์เลื้อยคลานต่างๆหรือกลัวสัตว์ใหญ่ ถ้าเจอเขาเมื่อไหร่ก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการไปทำร้ายเขาทันที mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว mm hmm. เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วแม้ mm hmm. กระทั่งเวลามีชีวิตอยู่ใจก็เป็นอารุณูญแล้วกายไปแล้ว mm hmm. ใจเป็นเปรดไปแล้วเป็นเดรัจฉานไปแล้ว mm hmm. ไม่ได้มันเป็นตอนที่ร่างกายตาย ขณะที่เป็นมนุษย์ก็อยู่แบบสัตว์เดรัจฉานคิดแบบสัตว์เดรัจฉานด้วยคิดแบบเปรตคิดแบบวัตถุรกายใจก็จะไม่มีความสุขจะมีแต่ความทุกจากการกระทำบาปต่างๆส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทกรดเปลญจองเวนจองกรรมพวกนี้ก็จะไปนรกเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยไฟของนรก ไฟของความอาฆาตพยาบาทสังเกตดูเวลาที่เรามีความโกรธแค้นโกรธเคืองใครอยากจะแก้แค้นเราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับใจเราจะรู้สึกร้อนเพราะความแค้นความโกรธความอาฆาตพยาบาทนีแล้วถ้าไปทำมันก็จะสะสมความไฟในรกนี้ไว้อยู่ในใจไปเรื่อย ตอนร่างกายตายไปก็จะต้องไปใช้บาปในนรกก่อนก่อนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องของการรักษาความเป็นมนุษย์มนุษย์ศยาทรัพย์ไว้ตอนนี้พวกเราตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ใจเราพ้นจากบาป พ, พ้นจากบุญ ใจเราอยู่กลางๆระหว่างบุญระหว่างบาประหว่างสวรรค์ระหว่างอบาย<ม>ใจที่อยู่ในสภาพที่อยู่ระหว่างสวรรค<ม>์หรืออบายนี้เราเรียกว่าสภาพของมนุษย์<ม>เราก็จะมาเกิดได้ร่างกายเป็นของมนุษย์<ม>พอเรามาเกิดแล้วพอเราจเจริญเติบโตขึ้นมาเราก็จะเริ่มมีการกระทำต่างๆ<ม>แล้วแต่ว่าจะทำอะไรกัน ถ้าเริ่มทำบาปไปใจก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าได้ทำบุญใจก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆได้พัฒนาทรัพย์จากมนุษยทรัพย์ขึ้นไปสู่ทเทวทรัพย์ต่อไปทรัพย์ของมนุษย์นี้มีความสุข<น>ไม่เท่ากับทรัพย์ของทเทวดา ถ้าอยากจะให้จิตใจของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเหนือกว่าความเป็นมนุษย์เหนือเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเป็นมนุษย์เราก็ต้องมาพัฒนาใจของเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในขณะนี้ให้เป็นเทวดาขึ้นมาการจะเป็นเทวดานี้เบื้องต้นก็ต้องปิดประตูบายก่อนต้องรักษาศีลห้าไว้ให้มั่นคง เพื่อที่จะได้ไม่ตกลงไปสู่ที่ต่ำเมื่อใจไม่ลงไปสู่ที่ต่ำอยู่ในระดับของมนุษย์แล้วเราถึงจะสามารถพัฒนายกระดับใจของเราให้ขึ้นสู่ทรัพที่สูงกว่าทรัพ์ของมนุษย์ได้ก็ขึ้นสู่ระดับของเทวทรัพการที่เราจะยกระดับใจของเราให้ขึ้นสู่เทวทรัพได้ ก็เกิดจากการทําบุญทําทานนี่เอง<ม>การทําบุญทําทานด้วยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุขจากการเสียสละแบ่งปันของเรา<ม>ใจของเราก็จะมีความสุขจากการที่เราได้ทําบุญทําทาน<ม>ความสุขนี้แหละ ที่เราเรียกว่าเป็นความสุขของของเทวดาใจได้เลื่อนระดับขึ้นไปเป็นสู่เทวดา mm. เทวดานี้ก็มีอยู่แบ่งไว้เป็นอยู่ระดับหระดับด้วยกัน mm. ที่เรียกว่าสวรรค์หกชั้นก็ mm. จากการทำทำบุญทำทาน <c oughs> มากน้อย mm. ถ้าทำน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นต่ำถ้าทำมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูง อันนี้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นทรัพสมบัติของของผู้กระทา<ม>ไม่ไปไม่ได้ไปเปรียบเทียบจานวนกับทรัพสมบัติของผู้อื่น<ม>การกระทบาบะการกระทาบุญของแต่ละคนนี้ถึงแม้ว่าจะตัวเงินจะไม่เท่ากันก็ตา ม, มแต่ระดับของสวรรค์ที่เราจะได้รับนี้ก็อาจจะเท่ากันได้เพราะเราไม่ได้วัดที่ ดูจำนวนเงินโดยตรงเราเรานับอยู่ที่ทรัพย์สัทธ์ส่วนของทรัพย์ที่เราเบริจาคไปว่าเราเบริจาคไปเท่าไหร่ถ้าเรามีร้อยหนึ่งเราเบริจาคไปสิบเราก็ได้เราก็ได้ทำบุญร้อยละสิบเราก็ได้สวรรค์ชั้นหนึ่งถ้าเราเบริจาคร้อยละยี่สิบเราก็จะได้สวรรค์ชั้นที่สูงกว่าร้อยละสิบ ซึ่งร้อยละสิของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันคนมีเงินล้านร้อยละสิก็เป็นหนึ่งแสนคนมีเงินแสนน้อยละสิก็คือก็เป็นเงินหนึ่งบัตหนึ่งหม่นบาทดังนั้นคนที่ทําบุญแสนหนึ่งกับคนที่ทําบุญหนึ่งบัตหมื่นึ่งม่นบาทก็อาจจะได้สวรรค์ชั้นเดียวกันได้ความสุขในระดับเดียวกันเพราะเราไม่ได้วัดที่ตัวจํานวนเงินโดยแล้ว เราวัดที่สัดส่วนของทรัพย์ที่เราเบริจาคไปเพราะฉะนั้นคนที่มีน้อยไม่ต้องไปน้อยใจว่าเรามีเงินน้อยเราไม่มีเงินท ำ, ทำบุญเ ป, เป็นล้านเป็นแสนเราจะไม่ได้บุญมากมันอยู่ที่ทรัพย์สินสัดส่วนของทรัพย์สินที่เราเบริจาคไปว่าเราเบริจาคไปร้อยละเท่าไหร่คนมีน้อยจึงไม่จำเป็นที่จะต้อง ทำบุญด้วยเงินมากจานวนจานวนเงินมาก <Okay. S 2> ถึงแม้ว่าจะทามากเพราะว่าเป็นสัตเป็นสัด ส, ส่วนของทรัพย์สินที่เสียไปมาก <Okay. S 2> ก็จะได้บุญมากกับผู้ที่ทาเงินทำบุญด้วยเงินที่มากกว่าแต่เป็นสัด ส, ส่วนที่น้อยกว่าก็ได้น <Okay. S 2> นเรื่องการทำบุญนี้เราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าเราทำบุญ เป็นร้อยเขาทำบุญเป็นแสนเขาจะได้บุญมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเรามันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่สัดส่วนของเงินที่เราเบริจาคไปนี่คือทำไมสวรรค์ถึงมีหลายระดับด้วยกันก็เพราะว่าการบริจาคการทำบุญทำทานของเรานี้มันมีหลายหลายระดับด้วยกันบางคนก็ทำร้อยละสิบบางคนก็ทำร้อยละยี่สิบ บางคนก็ทำร้อยละห้าสิบบางคนก็ทำร้อยทั้งร้อยเลยก็มีพวกที่ทำร้อยทั้งร้อยก็คือพวกที่ไปไปบวชกันนี่เมื่อเป็นนักบวชแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีเงินทองก็เอาบริจาคไปให้ผู้อื่นไปให้หมดก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดพวกนักบวชที่จะไปที่ไปบวชกันนี้ เขาจะได้สวรรค์ชั้นเทพที่สูงสุดเพื่อที่เขาจะได้ก้าวข้ามจากสวรรค์ชั้นเทพเข้าไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมต่อไปสวรรค์ชั้นพรหมนี้สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพและการจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้นี้ก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดให้กับการทําบุญทําทานไปให้หมดแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวช นักบวชนี้ไม่ต้องมีเงินมีทองแล้วจะได้มีเวลาที่จะมาสร้างทรัพย์ระดับที่สูงขึ้นไปที่เรียกพรหมทรัพย์จากเทวทรัพย์นี้เราก็จะไปสู่พรหมทรัพย์ความสุขของพรหมทรัพย์นี้ก็จะมากกว่าความสุขของเทวทรัพย์ความสุขของเทวทรัพย์ก็จะมากกว่าความสุขขอ ง, ของมนุษยทรัพย์ ทรัพย์เหมือนก็เป็นเหมือนกับใบธนบัตรที่มีหลายราคาธ น, นบัตรนี้ก็มีตั้งแต่ยี่สิบบาทห้าสิบบาทร้อยบาทห้าร้อยบาทพันบาทแผ่นใดทรัพย์ต่างๆทรัพย์ภายในต่างๆก็เปรียบเหมือนกับธนบัตรที่มีราคาที่แตกต่างกันไปถ้าอยากจะได้ทรัพมากก็ต้องทําให้มาก ถ้าทำให้สูงทำไปตามเหตุทางปัจจัยที่จะทำให้ได้ทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาการได้เทวทรัพย์ก็คือการได้จะได้จากการทำบุญทาทานเรามีเงินมีทองที่เหลือกินเหลือใช้ ท, ที่เราไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้ก็ได้เก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เงินก้อนนี้เก็บไว้เฉยๆกับเราก็ไม่มีประโยชน์อะไร ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ <S <S แต่เราสามารถเอาเงินก้อนนี้ที่เราไม่ได้ใช้ที่เป็นเงินที่เหลือกิน <S <S เหลือใช้นี้เอามาแปลงเป็นทรัพย์ภายในได้แปลงจากทรัพย์ภายนอกคือเงินทองทรัพย์ของร่างกายมาให้เป็นทรัพย์ของใจด้วยการเอาไปทําบุญทําทานเวลาเราทําบุญทําทานทรัพย์ที่เราบริจาคไปก็จะกลายเป็นเทวทรัพย์ขึ้นมา เราตายไปเราก็จะได้ไปรับผลของเทวทรัพย์ด้วยการไปเกิดเป็นเทวดาไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆตามตามกำลังของการทาบุญทาทานของเรา<ม>การทาบุญทาทานเพื่อให้เป็นเทวทรัพย์นี้เราไม่จำเป็นต้องเลือกบุคคลก็ได้ทากับใครก็ได้เท่ากันเช่นทากับมนุษย์หรือทากับ ในละชานถ้าเป็นจํานวนทรัพย์สินที่เท่ากันมันก็ได้บุญเท่ากันใช้เงินร้อยบาทเอาไปใส่บาตรหรือว่าไปให้ขอทานหร<ม>ือว่าไปปล่อยนอกปล่อยปลา<ม>ก็จะได้บุญเท่ากัน<ม>บุญที่เกิดจากการทําทานจากการแบ่งปันเสียสละแบ่งปันอันนี้เป็นบุญที่ได้เท่ากัน คือจะได้สวรรค์ที่ชั้นเดียวกันผู้รับไม่ไม่ได้เป็นผู้ที่จะมาทำให้บุญที่เราทำนี้ได้มากขึ้นหรือน้อยลง mm hmm. ในกรณีที่เราพูดถึงว่าถ้าเราอยากจะได้บุญมากๆแล้วเราต้องเลือกทำกับคนดีๆทำกับพระดีๆนี่ท่านหมายถึงบุญที่เราจะได้รับอีกอีกอย่างหนึ่งอีกข้อหนึ่งไม่ใช่บุญที่เกิดจากการทาบุญทาทาน แต่บุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาธรรมะจากผู้ที่เราไปทาบุญด้วยถ้าเราต้องการที่นอกจากจะยกระดับ DP จิตใจของเราด้วยการทาบุญทาทานแล้วแล้วเราอยากจะได้แสงสว่างแห่งธรรมเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องไปทำบุญ ท, ทาทานกับผู้ที่มีธรรมะ ผู้ที่มีแสงสว่างแห่งธรรมบุคคลที่มีแสงสว่างแห่งธรรมมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระปัิเกศาพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระอรหันตสาวกรองลงมาก็คือพระสกิพระนาคามีพระสกิดาคามีและพระโสโดาบันพระเหล่านี้ท่านมีแสงสว่างแห่งธรรมที่มีความสว่าง มากน้อยตามลำดับของการได้ปฏิบัติของการได้บรรลุกันพระพุทธเจ้านี้มีแสงสว่างเต็มร้อยเต็มที่พระอาหารหันต์ก็มีเต็มร้อยแต่ก็ยังไม่ใหญ่เท่ากับของพระพุทธเจ้าพระสกิราคา ม, มีพระนาคา ม, มีก็ยังไม่สว่างเต็มที่ลดน้อยถอยลงมาตามลำดับถ้าเราไปทำบุญกับบุคคลเหล่านี้ เราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาได้เรียนรู้หรือได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับท่านเรามีคำถามมีความสงสัยในเรื่องใดเกี่ยวกับเรื่องของธรรมเราก็อาจจะได้รับการบรรยายได้รับคำตอบที่จะทำให้เราคลายความสงสัยลงไปได้อันนี้ถ้าต้องการทำบุญแบบนี้เราก็ต้องเลือกบุคคล เราต้องการแสงสว่างแห่งธรรมเราก็ต้องไปทำบุญกับคนที่เขามีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วเราก็จะได้บุญสองทั้งสองอย่างบุญที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเงินทองของเราเป็นการยกระดับใจของเราจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาและเราอย่างได้บุญข้อที่สองก็คือบุญคือแสงสว่างแห่งธรรม ถ้าได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง<ม>ที่จะพาให้เราดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่ที่สุขที่จเจริญมากขึ้นไปตามลำดับ<ม>แต่ถ้าเราไปทาบุญกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพากอาหารอราหาัรก็ดีเราเพียงแต่ไปใส่บาตรแล้วเราก็กลับบ้านเราไม่ได้นั่งรอฟังเทศฟังธรรม บุญที่จะได้จากการได้ยินได้ฟังธรรมก็จะไม่เกิดก็จะได้เพียงส่วนเดียวคือบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกียรเกิดจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเท่านั้นอันนี้เกิดพูดอธิบายให้เข้าใจจะได้ไม่สงสัยเพราะบางทีเรามักจะได้ยินว่าทำบุญต้องเลือกคนต้องเลือกคนต้องทำกับคนดีดคนฉลาด คนที่มีธรรมะเยอะๆถึงจะได้บุญเยอะอย่าไปทำกับคนที่ไม่ไม่มีธรรมะจะได้บุญน้อยกว่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ถูกแต่ถ้าเราต้องการเพรียงแต่ทาบุญเพื่อสงเคราะห์ให้ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอได้บรรเทาวความทุกข์ยากเดือดร้อนให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขเราก็ ไม่ได้ไปดูที่ว่าเขามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะเราจะดูตรงที่เขาเดือดร้อนมากน้อย<ม>เช่นบางทีมีเหตุการณ์ทางภัยทางธรรมชาติมีน้าท่วมมีคนที่เขาเดือดร้อนเสียหายจากน้ำท่วมไม่มีปัจจัยสี่เราก็หาปัจจัยสี่ไปช่วยเขาโดยที่เราไม่ไปดูว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีมีธรรมะหรือไม่มีธรรมะ แต่เราทำเพราะเราต้องการที่จะบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นทำด้วยความเมตตากรุณาไม่ได้ทำเพื่อหวังประโยชน์อะไรจากเขาเลยอันนี้ก็เป็นการทำบุญทาทานเพื่อ ย, ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ให้สูงจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาถ้าทำบุญในแบบนี้ก็เราก็ไม่ต้องเลือกไข่ก็ได้เราอาจจะดูถึงความจาเป็น ดูถึงความเดือดร้อนของเขาใครเดือดร้อนล้วก็ไปทำกับเขาช่วยเหลือเขาใครนี่ยังไม่เดือดร้อนเราก็ยังไม่ต้องไปทำกับเขาก็ได้นี่คือถ้าทาแบบนี้ทำกับใครก็ได้บุญเหมือนกันถ้าทําด้วยจำนวนเงินทองเท่ากัน<ม>ก็จะได้บุญในระดับเดียวกน<ม>ันนี้ก็คือเรื่องของการยกระดับดจิตใจหรือสร้างทรัพย์ภายใน ให้มีเพิ่มมากขึ้นจากมนุษยทรัพย์เราก็เพิ่มเพิ่มมาเป็นเทวทรัพย์เ mm hmm. วลาเราตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่ไปจนกว่าอำนาจของบุญที่เราได้ทําไว้หมดกำลังลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็จะกลับมาทําบุญต่อเพราะอะไรเพราะถ้าเราทาด้วย ดยด้วยความเคยชินทำจนเป็นนิสัย mm hmm. เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะเป็นมนุษย์ที่ชอบทาบุญ mm hmm. เราก็จะกลับมาทำบุญต่อทำบุญทาทานต่อเหมือนกับที่เราเคย mm hmm. เคยได้ทำไว้ในอดีตจะาติ mm hmm. แล้วพอเราตายไปเราก็จะไปรับผลบุญในสวรรค์ mm hmm. มันก็จะทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดในสุคติ mm hmm. ไม่ต้องไปเกิดในอบาย mm hmm. ถ้าเราสามารถทำบุญจนติดเป็นนิสัยแล้วก็รักษาศีลไม่ทำบาปจนติดเป็นนิสัยไปถึงแม้ว่าเรายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็จะมาเวียนว่ายตายเกิดในในสุคติเวลามาเกิดเป็นม น, มนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคัง่งมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยปัจจัยสี่เพราะอา น, นิสงส์ของทานที่เราทาไว้นี้<ม>ก็จะเป็นเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคาร เวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทีไรเงินทองที่เราเคยทำไว้มันก็จะกลับมาหาเราเหมือนเงินทองที่เราฝากไว้ในธนาคารคนที่ทำบุญจะกลับมามักจะเกิดมาแล้วเกิดมามั่งคัง่งมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระเวชสันดรพระองค์ก็ทรงทาทานอย่างอย่างมากมายมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ใครต้องการอะไรมาขออะไรก็ให้แจกให้ทันทีโดยไม่มีความหวงเลยพอเวลาตายไปดวงวิญญาณของพระเวสสันดรก็ไปเกิดในสวรรค์แล้วพอลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองรอไว้อยู่มีประสาทสามฤดูมีเบร์สัตมีบริวารมาคอยรับใช้ ให้ความสุขตลอดเวลานี่คืออ น, นิสงค์ของการสร้างเทวซับสร้างด้วยการทําบุญทําทานอันนี้ก็เป็นซัพ์ชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งก็มนุษยทเซีย์ชั้นที่สองก็เทวซับซั์ชั้นที่สามก็คือพรมซัพยบการที่เราจะเข้าสู่พรมทรัพย์ได้พรมทรัพย์มาเป็นสมบัติได้นี้ เราจาเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีลเพิ่มขึ้นอีกสข้อจากห้าข้อไปเป็นแดข้อคือต้องไปถือศีลแปกันการถือศีลแปดนี้เพื่อที่เราจะได้ระ ง, งับการหาความสุขทางกา ร, รทางกา ร, รมงคณ 5, ห้าคือทางรูปเสียงกลิ่นรสถอดทพะศีลห้านี้ยังอนุญาตให้เราสามารถที่จะไปหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชได้แต่ถ้าต้องการจะได้พรหมทรัพนี้เราต้องยุติการแสวงหาความสุขทางการเพราะความสุขทางการนี้เป็นความสุขของมนุษย์และของเทวดาถ้าอยากจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของมนุษย์และเทวดาเป็นความสุขที่มีความมีความสุขมากกว่าเพราะเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบ การที่จะทำใจให้สงบได้จำเป็นที่ต้องรังรบการเสพกามในทุกรูปแบบถ้ายังมีการเสพกามอยู่ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบของพรหมซั์ได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะได้พรหมได้ซับที่สูงกว่าเทวซั์<ะ>ก็จำเป็นที่จะต้องไปถือศีแลแ ก, กัน<ะ>เพื่อที่จะได้มีเวลาที่จะเอามาใช้กับการบรรเิญสติ มาทําใจให้สงบนั่นเองสินแปดก็เปลี่ยนศินข้อสามสินข้อสามที่ของศินห้าก็คือการเมสุมิจฉาจาราคือร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้พอมาถึงสินแปดก็จะเป็นอบรมจาริยาเวรมณีคือละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาของตนหรือไม่ก็ตามไม่ให้หาความสุขจากการ เสพกลางนั่นเองแล้วก็เพิ่มข้อหกไม่ให้หาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารตามความอยากต่างให้รับประทานอาหารเท่าที่จำเป็นต่อการต้องการของร่างกายซึ่งรับประทานวันละครั้งสองครั้งก็พอไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี้เรื่องของการดื่มการรับประทานอาหารนี้ไม่มีความจาเป็นต่อไปสาหรับร่างกาย แล้วก็จะได้ไม่มาเป็นอุปสรรคขวางกั้นที่จะเอาเวลานี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบนั่นเองอันนี้ก็เป็นศินข้อหกของศินแปดสินสข้อเจ็ดก็คือการละเว้นจากการหาความสุขจากมหรสลพบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการดูการฟังการกินการดื่นมันนี่เป็นศินข้อหก การดูการฟังก็เป็นศีลข้อเจ็แล้วก็การเสริ m สวยความงามของร่างกายโดยใช้ด้วยการใส่เสื้อผ้าอผา่อ์ที่สวยงามวิจิตพิสดารหรือเสริสวยความงามด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ำมันด้วยน้ําหอมต่างๆเป็นต้นความสุขเหล่านี้เป็นข้าเป็นการมุสุขที่จะมาขวางการเข้าหาความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบ ผู้ที่ต้องการพรหมสัพย์ต้องการความสุขของพรหมสัพย์ก็จาเป็นที่จะต้องระงับางการหาความสุขจากมหรสศมันเทิงต่างๆการเสริมสวยวามงานของร่างกายแล้วก็ข้อที่แปดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนเพราะว่าจะทำให้ไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้จิตได้เข้าสู่ กรมมาซับนั่นเองก็ต้องนอนแบบนอนที่นอนที่ไม่ส ja ุขไม่สบายจนเกินไปนอนบนที่นอนที่มีพื้นแข็งแข็งจะปูด้วยเสื่อหรือปูปูด้วยผ้าก็ได้แต่อย่าอย่านอนบนบนเตียงที่มีฟูกหนาหาเป็นเตียงสําราบเพราะว่าจะนอนมากเกินไปปกติร่างกายนี้เวลา เ, เหนื่อยเมื่อไก็ต้องการพักผ่อนหลับน้อนไม่ว่าจะนอนในที่นอนแบบไหนก็นอนหลับได้ที่นอนแข็งๆที่นอนนุ่มๆก็หลับได้พอสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วนี่ถ้านอนบนที่นอนที่สุขที่สบายใจก็อยากจะไม่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะนอนต่อจะทำให้สูญเสียเวลาไปอีกหลายชั่วโมงด้วยกันในการที่จะเอาไปปฏิบัติ ถ้าต้องการเอาเวลามาปฏิบัติก็ต้องนอนบนที่นอนไม่สุขไม่สบายจนเกินไปพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอตื่นขึ้นมาแล้วถ้าเป็นพื้นแข็งแข็งก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายจะได้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปได้นี่คือหน้าที่ของศีลข้อที่แปดก็คือกาจัดการหาความสุขทางกามารมณ์ทางกา ม, า ม, ากามาคุณห้า ทางรูปเสียงกลินรสผดธรรมะเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่เอามาใช้กับการเสพการามมคลห้านี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิก็ทำใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นฌานขึ้นมามถ้าใจสงบใจเป็นสมาธิแล้วใจก็จะเข้าสู่พร ม, มโลกพร ม, มนี้เขาจะเสกความสุขจากความสงบของใจเขาจะไม่เสดความสุขจากการเสด สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆเพราะว่าเป็นคนนสุขเป็ความสุขต่างระดับกันความสุขทางการนี้เป็นความสุขที่ต่ำกว่าความสุขทางความสงบของใจผู้ที่ได้พบกับความสงบของใจแล้วนี้จะรู้ทันทีตามที่พระเจ้าได้ทรงตรัสว่านัตถิสันติป ร, รังสุขขงัขงสุขที่เหนือกว่าความสุข ที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่จะมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบถ้าอยากจะได้ความสุขอยากจะได้ความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้จากสวรรค์ชั้นเทวซั์ก็ต้องมาเข้ามานั่งสมาธิทำใจให้สงบเพื่อจะได้เข้าสู่ความสุขของพรหมรับความสุขของพรหมรั์นี้ถือว่าเป็นความสุขที่สูงสุดของไตรภพ กายภพนี้ก็มีอยู่สามภพด้วยกันมีการมาภพรูปภพและอรูปภพการมาภพก็คือความสุขของผู้ที่เสดกามเช่นมนุษย์และเทวดาทั้งหลายส่วนรูปภพอรูปภพนี้เป็นความสุขของผู้ที่เสด ร, รูปประชานกับอรูปประชานเป็นความสุขของพรมประดับรูปประพมและอรูปประพรมแต่ความสุขของฌานเหล่านี้ความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทาน ความสุขที่ได้จากการรักษาศีลนี่ยังเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่ได้แล้วก็จะมีวันเสื่อมได้เช่นถ้าได้ความสุขในระดับพรมมารับแล้วเวลาตายไปก็จะไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมอยู่ไปจนกว่ากำลังของสติที่ทาใจให้สงบนี้หมดกำลังลงใจก็จะลื่อนต่าลงมาสู่ชั้นเทวซั์ แล้วก็จะเลื่อนต่าลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาทำบุญที่เคยทำต่อไปเคยทำบุญทำทานก็จะกลับมาทำบุญทาทานเคยนั่งเคยรักษาศีลภาวนาทาจิตใจให้สงบก็จะกลับมาทำแบบเดียวกันแล้วก็อยู่ไปจนกว่าจะตายตายไปก็ไปรับผลบุญก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎของ อันนี้จังคือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ยังยังไม่มียังไม่มียังไม่สามารถที่จะหลุดออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของของใจพบนี้ได้ถ้าอยากที่จะให้ใจนี้ได้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายของตใจพบนี้ก็จําเป็นที่จะต้องสร้างทรัพย์ชนิดที่ที่สนีะ่ก็คืออริยทรัพย์ ก็ถ้าเราได้อริยทรัพย์แล้วนี้ใจก็จะสามารถที่จะหลุดออกจากตายพบได้หลุดออกจากสังสารวัฏโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่าอริยทรัพย์นี้จะจะทำลายตัวที่มาคอยดึงใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบอยู่เรื่อ ย, อยๆอันนี้ก็ต้องเป็นขั้นต่อไป หลังจากที่ได้พรหมรั์แล้วหลังจากที่ได้สมาธิแล้วจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้ ว, <S <S ลวเวลาออกจากสมาธิมาความสงบนี้ก็จะหายไปเวลาที่เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมากิเลสตัณหานี้มันไม่ได้ตายมันไม่ได้ถูกกาจัดด้วยกำลังของสติของสมาธิสติและสมาธินี้เป็นเพียงผู้ที่จะคอยกดมันไว้เหมือนหินทับญ่า เวลาจิตเข้าสมาธินี้ท่านเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนหินทับย่าคือสตินี้สมาธินี้จะไปทับกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆไม่ให้ทำงานมันเลยทำให้ใจในขณะที่อยู่ในสมาธินี้มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายแต่พอเวลาออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับเอาหินที่ทับย่าออกไป เวลาหินที่ยกออกไปแล้วทิ้งย่าไว้สักพักหนึ่งยติที่เคยถูกหินกดไว้ก็จะงอกงามกลับขึ้นมกลับขึ้นมาใหม่ได้ฉันใดเวลาติดออกจากสมาธิมาสติสมาธิที่เคยทับกิเลสตัณหาไว้ก็จะอ่อนกําลังลงพ อ, อ่อนกําลังลงกิเลสตัณหาก็จะออกมาแสดงตัวได้แสดงความอยากต่างๆ เวลาเกิดแสดงความอยากมันก็จะทำให้เกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาจะเกิดความทุกข์ใจแล้วจะทำให้ใจนี้จะต้องไปดิ้นโนหาสิ่งที่อยากได้แล้วหาได้มากน้นน้อยก็จะไม่อิ่มไม่พอหาไปจนวันตายพอตายแล้วก็ความอยากนี้ก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้จิตนี้กลับมาเกิดใหม่อีกอยังมาเวียนว่ายตายต่ออีกแต่ถ้าเราสามารถกาจัดความอยาก ได้ด้วยปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั่งพระเจ้าทรงตัดสั่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวได้ได้มาแล้วให้ความสุขเราไปได้ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมหมดไปมันก็จะจากเราไปพอมันจากเราไปมันก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจทําให้เราทุกข์ใจกัน แล้วจะทำให้เราต้องไปหามันหาสิ่งใหม่ๆมาทดแทนอยู่เรื่อยๆถ้าตายจากภพนี้ไปก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะยังอจะอยากจะหาความสุขจากสิ่ ง, งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อไปถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเจอกับความทุกข์ต่างๆทําซากก็ต้องตัดความอยากไปด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญ ไม่ว่าเป็นความสุขจากรูปเสียงกิ่รสผดสะพานี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมโนกธรรมทั้งสี่นี้มีการเจริญรากก็ต้องมีการเสื่อมรากไปไม่ช้าก็เร็วมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศไปมีการสรรเสริญก็จะมีนินทาตามมามีสุขจากรูปเสียงกิ่รสผดสะพ ก็จะมีทุกข์ที่เกิดจากรูปเสียงกิริยลดผลธรรมะตามมาไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในตายภพนี่องอันนี้เราก็จะได้พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้มันเป็นของชั่วคราวเราก็จะตัดมันไป <c oughs> แ, มแม้แต่เครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขก็คือร่างกายนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน มันต้องแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเรายังอยากจะใช้ร่่งกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะไปไปไปเป็นดวงวิญญาณรับผลบุญผลบาปพอหมดบุญหมดบาป ท, ที่เราได้ทาไว้แล้วเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พอเรายังต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ถ้าเราเปลี่ยนการหาความสุขจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพกะมาเป็นการหาความสุขจากการทำใจให้สงบเป็นทำใจให้เป็นสมาธิขึ้นมาเราก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายก็ได้เพราะเราสามารถมีความสุขจากการทาใจให้สงบได้ เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องเสพรูกเสียงกลิ่นรสผดทะพะแต่เราก็ยังจะมาติดความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบด้วยสมาธิ<โ>ถ้าเราถ้าเรายังติดสมาธิอยู่เราก็ยังจะติดอยู่ในพรหมโลกอยู่<โ>ถ้าเราติดในรูปประชานเราก็จะกลับมาเกิดในอรูปประพบอยู่<โ>ถ้าเรายังติดในอรูปประชานอยู่เราก็จะกลับมาเกิดในอรูปประพบ<โ>ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดในอรูปประพบหรือรูปประพบ เราก็ต้องตัดความอยากหาความสุขจากรูปจากรูปประชาญหรือรูปประชานเมื mm ่อ hmm. เราตัดความอยากเหล่านี้หมดไปจากใจได้ mm hmm. ใจก็จะได้หลุดพ้นออกจากการยิน่ยตายเกิดในสังสารวัตได้ mm hmm. ใจที่ออกจากสังสารวัตได้ก็เป็นใจที่อยู่ที่พระนิพพานนี่เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่ mm hmm. ไม่มีความอยากหนงเหนืออยู่ภายในใจได้ได้รับการชำระด้วยพลังของปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ว่าโลกของสังสารวัตนนี้เป็นโลกของไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของสังสารวัตไม่ว่าจะเป็นความสุขทางทางรูปเสียงกลิ่นรสทางลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการเข้าฌานในระดับรูปฌปานเลือรูปฌานความสุขเหล่านี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ล้วนเป็นของชั่วข่าว เมื่อมันเป็นของชั่วคราวเวลามันเสื่อมมันหมดก็จะสามารถให้มันก็จะทำให้ใจเศร้าได้ทำให้ใจโงงเหงาได้ว้าเวได้ถ้าไม่อยากจะเศร้าไม่อยากจะเหงาไม่อยากจะว้าเวก็จาเป็นที่จะต้องตัดความอยากเหล่านี้ไปให้หมดตัดกามทัณหาความอยากหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสตัดภาวะทันหาความอยากหาความสุขจากรูปประชานหรืออารูปประชาน พอตัดความอยากเหล่านี้หมดไปจากใจได้ใจก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิได้ความสุขเหมือนกับตอนที่เข้าสมาธิแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการได้กําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจความอยากความสงบแบบนี้แหละจะเป็นความสงบแบบถาวรไม่ได้เป็นเหมือนสมาธิที่ไปกดความอยากไว้ชั่วคราวสมาธิคือสตินี้ไม่สามารถที่จะทาลาย ความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้เพียงแต่ไปทําไปกดมันไว้เท่านั้นเองไม่ให้มันไม่ให้มันออกมาทํางานเวลาเข้าสมาธิเข้าฌานใจก็เย็นสงบเหมือนได้เข้านิพพานเพียงแต่ว่าเป็นนิพพานแบบชั่อขา่าวพะอยากสมาธิมาความอยากต่างๆที่ถูกกําลังของของฌานของสมาธิกดเอาไว้มันก็จะออกมาทํางาน มันก็จะมาสร้างความหงุดหงิดลำคาญใจสร้างความวุ่นวายใจให้กับใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีปัญญาใช้ปัญญาให้เห็นว่าความอยากต่างๆนี้จะนำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราไปบังคับไปสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปไม่ได้ตลอดนั่นเอง<ม><ม>พอเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นของไม่เที่ยง เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เราก็จะไม่กล้าอยากได้ต่อไปเราก็จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราพอาความอยากที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจถูกละงับด้วยปัญญาด้วยการเห็นใจรักในสิ่งตีต่างที่อยากได้ใจก็จะใจก็จะสงบนิ่งเหมือนกับตอนที่เข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิโดยไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้สมาธิไปกดความอยากไว้ จะใช้ปัญญาเป็นผู้กำจัดความอยากปัญญาก็คือเหตุผลความหลักความเป็นจริงนั่นเองถ้าเราเห็นหลักความเป็นจริงแล้วว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเรานี้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือความอยากต่างๆที่มีในใจของเรานี่เองและความอยากที่เรามีอยู่นี้มันก็จะไม่สามารถให้เราไปได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่ใจเราอยากนะั้นมันเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป <bem. S 2> เวลาได้ก็มีความสุขเวลาสูญเสียไปก็จะมีความทุกข์ขึ้นนะเช่นคนเป็นนายกเนี่ยเวลาได้เป็นก็ดีใจมีความสุขพอไม่กี่วันก็ถูกปลดออกไปความทุกข์ก็เข้ามาทันทีแล้วคนใหม่ก็เข้ามาใหม่ก็เหมือนกันคนใหม่ก็ตาบอดเหมือนคนเก่าไม่รู้ว่าเดี๋ยว g o ต้องถูกปลด อ, อยู่ดีก็เวลาได้ก็ดีใจเวลา เวลาหมดไปก็เสียใจนี่ไม่เห็นตายักไม่มีปัญญาคนที่มีคนที่มีปัญญาเห็นตาะักไม่เอาไม่เอาไม่เอาความทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์ตอนต้นก็จะได้ความสุขได้ดีใจได้ฉลองเฮฮากันแต่พอถึงวันที่เขาจะปลดออกก็จะต้องมาเศร้าโศกเสียใจคนที่มีปัญญาจะเห็นจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่จบไม่สิ้น มีลายเกิดก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา <mee> สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นราบยศเสริเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะไม่ว่าจะเป็นสมาธิรูปปัจจานเลื่อมรูปปัจจานล้วนเป็นของชั่วข่าวทั้งนั้นดังน <mee> ั้นอย่าไปฝากความสุขของเราไว้กับของที่เป็นของชั่วข่าวให้เราฝากความสุขไว้กับของที่เป็นความสุขที่ถาวร ความสุขที่ถาวรก็เกิดจากการที่มีปัญญานี่ที่จะเห็นโทษของความอยากนั่นเองเในว่าความอยากนี้ไม่ได้นําไปสู่ความสุขที่ถาวรแต่จะนําไปสู่ความทุกข์ที่ถาวรเพราะความทุกข์ความอยากนี่มันจะพาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่มีอยู่ในใจของเรามันก็ยังไม่หมดไปมันก็ยังอยากจะกลับมาเกิดใหม่อยากจะมามีร่างกายใหม่ เพื่อที่จะได้มาหาความสุขจากราบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะจากรูปประชานรู้จักกรูปประชานต่อไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการเกิดก็จะต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายมีการพลาดพาดจากกันก็คือมีความทุกข์นั่นเองฉะนั้นการเกิดนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสาเหตุของการที่มาเกิดก็เพราะการไปทําตามความอยากสาเหตุที่ไปทําตามความอยากก็เพราะไม่เห็น ไม่เห็นตายลักไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาในสิ่งที่อยากได้นั่นเองดังนั้นถ้าเรามาพิจารณาด้วยปัญญาเวลาที่เราอยากจะได้อะไรถ้าเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นตายรักแล้วเราก็จะไม่อยากได้มเมื่อเราไม่อยากได้เราก็จะไม่มีไม่มีผลคือความทุกขใจที่จะตามมามม น, นี่คือสิ่งที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าสู่ระดับปัญญาแล้ว ก็ต้องพยายามพิจารณามองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังครับสั่งให้อยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้มันเป็นเหมือนบินฟ้ากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเช่นลมพัด น, นี่เดี๋ยวลมก็พัดเดี๋ยวลมก็หยุดพัดเดี๋ยวแดดก็ออกเดี๋ยวฝนก็ตก เราไปสั่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ชั้นใดเราก็ไม่สามารถสั่งสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ให้เป็นไปตามความต้องการคือให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันมันให้ทั้งความสุขและให้ทั้งความทุกข์กับเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปยุ่งกับมันท<ม>ั้งอย่าไปอยากอย่าไปอยากไว้เอาเขามาครอบครองพ่าเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราความทุกข์ก็จะไม่เข้ามาสู่ใจของเรา ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวนหยู่พ้นความทุกข์อย่างถาวลได้ด้วยปัญญาสมาธินี้หยุดทำให้หยุดได้ชั่วคราวเวลาขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอจากสมาธิมาความอยากต่างๆก็จะออกมาทำงานต่อไปถ้าต้องการให้ความอยากนี้หมดไปหายไปก็ต้องใช้ปัญญาทิจนาให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นหมืญนาพิษถ้าเรารู้ว่าเครื่องดื่มที่เราจะดืม่มนี้เป็นยาพิษเราจะไม่กล้าดืม่ม แต่ที่เราดื่มกันเพราะเราไม่รู้คิดว่าเป็นเป็นของดีพอดื่มเข้าไปแล้วถึงจะต้องมากระต้องม า, อาเจียนทีหลังเพราะพิษของของยาที่เราดื่มเข้าไปนั่นเองนนี่คืออริยทรัพย์ขั้นเป็นขั้เป็นทรัพย์ที่ขั้นสูงสุดว่จะทําให้เรานี้ได้เข้าถึงนิพพานทรัพย์นั่นเองได้เข้าถึงความสงบความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่ไม่มีที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด ที่เรียกว่านิพพานังปรมงังสุ ข, ขังนี่นี่คือทรัพย์ที่สูงสุดที่เราจะสามารถแสวงหามาเป็นทรัพย์สมบัติของเราได้แต่เราก็ต้องไล่ขึ้นไปจากระดับระดับต่ำขึ้นไปสู่ระดับสูงเบื้องต้นก็ต้องรักษามนุษยทรัพย์ของเราไว้รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ด้วยการรักษาศีลห้าให้ดีให้มั่นคงแล้วก็ถ้ายกระดับจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพด้วยการทาบุญทาทาน แล้วจากนั้นก็พอได้เทวซั์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพรมมซั์ด้วยการไปไปฝึกสตินั่งสมาธิไปรักษาศีลแปล ก, กันพอเราได้พรหมซัม์แล้วเราก็มาเจริญปัญญาพิจารณาตายลักต่อไปพิจารณานิจังทุกขงังอนัตตาแล้วเราก็จะได้นิพพานซั์ตามลาดับนี่คือทรัพย์ภายในที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราแสวงหากันสะสมกันสร้างกันขึ้นมา พราะเป็นทรัพย์ที่จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นทรัพย์ที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดอย่าไปหลงกับการหาความสุขของของโลกโลกียทรัพย์ก็คือโลกธรรมลาภยศเจริญเสริญสุขอันนี้เป็นทรัพย์บอมเป็นทรัพย์ชั่วคราวทรัพย์ที่จะทําให้เราต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องหไห้ให้มหาทรัพย์ที่จะทําให้เรามีแต่ความสุขความเจริญ ไ, ไ, ไ, ไปตลอด ถึงวันวันสุดท้ายของชีวิตเลยถึงเม่ร่างกายจะตายไปแต่ใจนี้จะไม่มีอาการเศร้าหมองใจอย่างใดใจจะเป็นใจที่เบิกบานสว่างสวัยตลอดเวลานี่ก็คือเรื่องทรับภายในที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาสร้างกันมาหากันนี้เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาฤวหาปุราปริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอ an ิชิตังปะทิต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตะวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวาทานติ าา้าช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามถ้าอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองก็ได้หรือถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้ผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาตโต448คน YouTube พระสุชาติไลฟ์330ยู u ูบด็อกเตอร์วีแชนเนล55วิทยุออนไลน์9คลับฮาส4ผู้รับฟังธรรมะนาคุติ234คนรวมทั้งหมด 1,080 ครับถ้ามีคำถามก็ถามได้เลย คำถามจากคุณใบยกลูกนั่งสมาธิทีแรกเข้าใจว่าถึงสภาวะที่ผู้รู้เฉยๆนั่นคือที่สุดของการนั่งแต่ล่าสุดที่นั่งผู้รู้หายกลายเป็นความว่างวันต่อมาก็ลองนั่งอีกแต่ถึงแค่ตรงอุเบกขาไม่ถึงความว่างาการนั่งสมาธิในแต่ละครั้งต้องถึงความว่างทุกครั้งไหมครับ ได้ได้ก็ดีให้มันว่างให้มันไปอุเบกขามันสักแต่ว่ารู้มันนั้นเดียวกันนั่นแหละหายมันนิ่งสงบแล้วมีความสุขใจเราจะได้ใช้ความสงบความสุขแบบนี้เป็นเครื่องอยู่ต่อไปแทนที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มแล้วก็เข้าสมาธิกันดีกว่าคําถามต่อไปจากท่านเดิมครับเวลาที่ลูกใช้ชีวิตระหว่างวัน ลูกสังเกตดูสภาวะของใจคือมีกิเลสกับธรรมต่อสู้กันถ้าใจไปทางธรรมมากปัญญาจะตัดสินได้ถูกทางถ้ากิเลสเรามากกว่าธรรมกิเลสจะพาตัดสินแบบนี้ใช่หรือไม่อย่างไรครับแล้วแต่ละคนไงคนบางคนมีธรรมามากมา ก, ก็จะไปทางธรรมมากคนมีกิเลสมากก็จะไปทางกิเลสมากแล้วแต่คนมันไม่เหมือนกัน ถ้าเรารู้ว่ามันไปทางกิเลสแล้วต้องคอยห้ามมันคอยหยุดมันคอยพิจารณาตายรักสิ่งที่มันอยากได้ว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอยากได้ผัวอยากได้มีอเ น, นี่ยมันทุกข์แไม่เป็นสุขแต่ก็ยังอยากได้กันอยู่คำถามต่อไปจากคุณทัวถ้าเรามีการเสียสลับรั์ เสียสละซั์ส่วนมากในการเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวแต่ทำทานสลับซั์สละซัพ์ในการบริจาคส่วนรวมอื่นๆน้อยกว่าแบบนี้ถือว่าเรายังได้ทำทานบา ร, รมีไหมครับได้เหมือนกันทำกับใครก็ได้ น, นี้ทำกับพ่อแม่จะได้หลายเท่าเพราะว่าได้ทดแทนบุญคุณได้ความกตัญญูกตเวทีเชิญ กราบกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับผมตัวผมมีทำทานมีรักษาศีลห้าเป็นปกติก็ส่วนภาวนาเนี่ยจะน้อยหน่อยครับเรียนถามประโยชน์ของศีลแปดครับเวลาทำสมาธิคือคือมันจะมีเวลาทำสมาธิได้มากขึ้นไม่เสียเวลากับความอยากแล้วก็ความสุขทางการต่างๆหมายความว่าถ้าในวันพระ ที่เราตั้งใจรักษาศีลแปดเนี่ยเป็นวันทำงานแล้วเรายุ่งเหนื่อยหมดเวลาไม่ได้ยุ่งกับคู่คองไม่ได้ทานอาหารยามวิกาลไม่ได้ดูการละเล่นต่างๆแล้วก็นอนกับพื้นเสือ่อแต่ไม่ค่อยได้เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเนี่ยคือประโยชน์ไม่ได้มากถูกไหมครับก็ได้ในระดับเสียงในระดับในระดับระงับความอยากที่ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสได้ แต่มันได้เครึ่งเดียวประโยชน์มันต้องพอเรามีเวลาว่างไม่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็เอามาเดินจงกรมนั่งสมาธิถึงจะได้ความสงบนึง<ม><ม>แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทําเลยแต่ถ้าทั้งที่ดีก็ควรจะปฏิบัติในวันที่เราไม่ต้องทํางานเช่นวันหยุดทํางานเราก็มาถือศีลแปดแล้วก็เอาเวลาที่เราไม่ได้ทํางานนี้มาให้กับการเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อ ขอบคุณครับ เ, เวลาผมทำทาบุญต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นการได้ร่วมบูรณะพระธาตพนมเช่นทำพื้นหินแบบไม่ร้อนเวลาเดินแม้ตอนกลางวันเนี่ยครับ mm hmm. คือทำไปเพราะว่ า, เ, าเห็นสมควรทำเห็นประโยชน์ในการทำแต่ว่า ใจมันไม่ได้รู้สึกมีความปิติหรือชื่นใจหรือน้ําตาไหลแบบที่เห็นจากคนอื่นๆก็เลยแปลกใจว่าความคิดนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าต้องคือความความประทั บ, บท <ำ S 1> ใ จ, ใจของคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนประทับใจเห็นดอกไม้สวยๆก็ประทับใจบางคนเห็นรถสวยๆก็ประทับใจ นี่แล้วแต่เราจะประทับใจแบบไหนเราอยากจะได้ความประทับใจเราก็เลือกไปทําบุญแบบนั้นแตาแม้ถ้าเราเลี้ยงสุนัขเรามีความประทับใจมีความสุขใจนี่เราก็ทําบุญกับสุนักก็ได้แต่ก็ได้บุญเหมือนกันคือได้การเสียสละเท่ากันแต่ความประทับใจนี้ถือว่าเป็นของแถมมาเหมือนกินอาหารกินอาหารที่ถูกใจกับคนอาหารที่ไม่ถูกใจมันก็ได้ความอิ่มเหมือนกัน แต่อาจจะไม่ได้ความประทับใจเหมือนกันถ้า ไ, ได้กินอาหารที่ถูกใจเราได้กินนั่นมันมีความประทับใจมากขึ้นแต่เป้าหมายหลักเราไม่ได้อยู่ที่ความประทับใจเป้าหมายหลักอยู่ที่ความอิ่มใจความสุขใจที่เกิดจากการให้แต่เราเลือกได้คนเราถึงเลือกทําบุญไม่เหมือนกันันบางคนก็ชอบปล่อยนกปล่อยปลาบางคนก็ชอบใส่บาตรบางคนก็ชอบสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์ อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความประทับใจของแต่ละคนคแต่ได้บุญเหมือนกันครับขอบคุณครับอขออีกคาถามครับผมคื อ, อความคิดของเราเนี่ยที่คิดว่าเราเป็นทุกข์จากผู้อื่นคนนี้ทำกับเราอย่างนั้นคนโน้นทากับเราอย่างนี้คนนี้แกล้งเราอย่างนั้นอะไรเงี่ยครับจริงๆแล้ว มันเกิดจากใจเราที่ไม่สามารถปล่อยวางได้ใช่ไหมครับถูกต้องเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาพูดดีกับเราพอก็ไม่พูดดีกับเราเราก็ไปโทษเขาถ้าเราเปลี่ยนใจว่าปล่อยให้เขาพูดดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็ไม่ต้องไปโทษเขานั้นอยู่ที่ความอยากของเราทุกครั้งที่เรามีความไม่สบายใจไม่พอใจใครมันเกิดจากความอยากของเราเอง ที่ไปตั้งเป้าหมายในตัวเขามากกว่าที่เขาจะทำให้กับเราได้เข้าใจไหมเข้าใจชัดเจนครับความทุกข์ใจไม่สบายใจทั้งหมดเกิดจากความอยากของเรามไม่ใช่เกิดจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากนรัสการครับผมคาถามต่อไปจากคุณจันถ้าเราเผลอเดินเหยียบสัตว์เล็กๆเช่นมด โดยไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายเราจะได้รับผลกรรมแตกต่างจากการที่เรามีเจตนาทำร้ายหรือไม่ครับอาจกันถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปไม่ต้องไปรับผลบาปจากการกระทําแต่ถ้ามีเจตนาและทำให้เขาเกิดความเสียหายก็เป็นบาปก็จะมีผลตามมามีผลกรรมตามมาคถามต่อไปจากคุณพริภภา ถ้าเรานั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอจนจิตรวมง่ายขึ้นบ่อยๆต่อไปจิตเราจะเข้าสู่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่เองโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับใช่ต่อไปนั่งหลับตาพิ่เดียวตั้งสตินะับเพั่เดียวมันก็เข้าไปของมันเองคำถามต่อไปจากคุณตุก๊กหนูเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเหตุเพราะโกรธและโมโหลูกมากหนูจะต้องทาอย่างไรให้ลดละ ความอารมณ์ร้อนกับลูกและมีสติครับอย่าไปอยากอย่าไปอยากกับเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เป็นตามใจอยากเราเราก็โกรธเขาเร า, เราต้องใช้ความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเขาจะเดื้ก็ปล่อยเขาเดื้ไปเขาจะซนก็ป่อยเขาซนไปเราสอนได้ก็สอนไปห้ามได้ก็ห้ามไปห้ามไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยให้เป็นบุญเป็นกรรมของเขาไปแล้วเราก็จะไม่โกรธเขา คำถามต่อไปจากคุณแอนดูแลความเป็นอยู่พ่อแม่อย่างดีแต่ก็ยังทะเลาะกันด้วยวาจาบ่อยๆรู้สึกท้อกับการทาความดีวันหนึ่งใจฟูอีกวันก็ดิ่งขอกำลังปัญญาจากหลวงพ่อครับว่าควรปฏิบัติอย่างไรรู้สึกเป็นคนอากตันญอยู่ทั้งๆ ท, ที่ตั้งใจทำความดีแต่เหมือนก็ไม่เคยพอครับเราควรทาตัวเราให้ต่าไว้เวลาที่เราทำอะไรกับพ่อแม่นี้ให้มองให มองพ่อแม่ว่าเขาเป็นเจ้านายเราเราเป็นคนรับใช้เขาเราไม่มีหน้าที่ไปสั่งไปบอกให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราไม่มีหน้าที่ลอยละคอยรับคาสั่งเขาบอกให้ทำอะไรถ้าเราเห็นว่ามันดีไม่เสียหายก็ทำให้เขาไปแต่ถ้าเขาให้เราทำอะไรที่เราเห็นว่ามันไม่ดีไม่เสียหายก็ไม่ต้องทำตามแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งพ่อแม่ให้ทำอย่างนั้นทาอย่างนี้เรามีหน้าที่รับใช้ คำถามต่อไปจากคุณตูตั้งแต่เจอความทุกข์สแวสแวงหาทางออกจนได้เจอธรรมะทำให้หนูเจอคำตอบที่สแสวงหามาตลอดทำให้ชอบฟังธรรมทาให้มีดวงตาเห็นธรรมรักษาศีลห้าเคร่งครัดรักษาศีลแปดนอนพื้นแข็งทุกวันพระแล้วก็ภาวนาทุกวันชอบทำบุญทาทานปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดแต่ไม่อยากไปสวรรค์แล้ว อยากจะหลุดพ้นจากการเกิดทำเช่นนี้มาตลอดเพราะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ทำเช่นนี้มีโอกาสพบพระนิพพานได้ไหมครับถ้าทำให้มากขึ้นก็มีโอกาสถ้าไปบวชได้เลยก็มีโอกาสได้ไ ด, ไ, ดได้มากขึ้นถ้าได้บวชนี้อาจจะพบพระนิพพานไปในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีก็ได้เฉะนั้นถ้าอยากจะพบพระนิพพานก่อนในภพนิชาตินี้ก็ต้องออกบวชกัน จะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่พระนิพพานได้เต็มที่คำถามต่อไปจากคุณราชันนั่งสมาธิแล้วหูดับไม่รับรู้สิ่งภายนอกแต่มีสติรู้อยู่กับลมหายใจอยู่อาการแบบนี้เรียกว่าอะไรครับตั้งแต่มีอาการแบบนี้มีความรู้สึกอยากออกบวชตลอดชีวิตครับความสงบความสงบของใจมันก็จะมีอาการลักษณะแบบนี้ ก็พยายามทำบ่อยๆแล้วเวลาสงบก็ให้มีสติรู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรประคับประคองความสงบให้อยู่ไปนานๆคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามมีมแมลงสาบเข้าบ้านหนูจับออกไปทิ้งข้างนอกจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกทำได้เพราะว่าเราก็ต้องรักษาสุขภาพของเราป้องกันตัวเรา แต่เราไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปฆ่าเขาไม่ทําร้ายเขาเพียงแต่ย้ายที่อยู่ให้กับเขาไปทัานนี้เพื่อเขาเขาจะได้อยู่ของเขาเราจะได้อยู่ของเราไม่มาเบียดเบียนกันมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้